ปฉิณีติกาปาจิตี939าามผพื้นเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและพระห่มพิกษุณีสําคัญว่าภาพื้นเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและพระห่มนอนต้องอวบปัจจิตีผ้าพื้นเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและพระห่มภิกษุณีไม่แน่ใจนอนต้องอบวบทุกกฏภาพื้นเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่มภิกชณีสําคัญว่าผ้าพื้นเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและพระห่มนอนต้องอวบปัจจิตี กกดผ้าปูนอนผืนหนึ่งผ้าห่มนอนต่างผืนต้องอาบัตรทุกกดผ้าปูนอนต่างผืนผ้าห่มนอนผืนเดียวกันต้องอาบัตทุกกดผ้าปูนอนและผ้าห่มนอนต่างพืนกันพิกศษณีสําคัญว่าผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่มต้องอาบัตทุกกดผ้าปูนอนและผ้าห่มนอนต่างผืนกันพิกศษณีไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกดผ้าปูนอนและผ้าห่มนอนต่างผืนกัน พิกษณีสำคัญว่าผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่มไม่ต้องกรบัน